พระธรรมเทศนาแผ่นที่106ลําลำดับที่24โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่26กันยายน2559มีชื่อเรื่องว่าจะดีจะร้ายวางใจให้เป็นกลางฝนตกลูกหลานเะนี่ยแต่มันลินพรมพรม ลินเมื่อแต่เมื่อเช้าเนี่ยวันนี้เป็นวันจันทร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2559หลวงพ่อลงไปกรุงเทพสองวันนักคณะสัตาา ย, ยาติโยมลูกหลานลงไปตั้งแต่วันที่23ไปพักที่สวนแสงธรรมวันที่24เช้าฉันที่จิตโภสนาปากแล้วก็ไปทาธุระ 25้าฉันที่สวนแสงธรรมพอฉัด ฉ, ฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ประมาณเที่ยงกว่าก็ากามาขึ้นเตรียมตัวมาขึ้นเครื่องกลับอุรากลับมาเมื่อวานกับวันที่25่หวันอาทิตย์ลงไปคราวนี้ก็กิจนิมนเน้นเรื่องสวนแสงธรรมเป็นหลักเพราะอาทิตย์สุดท้ายของเดือน มีการรวบรวมสัทยาติษฐนโจมทอดผ้าป่าเพื่อหาทุนดูแลสวนแสงธรรมแต่หลวงพ่อลงไป เ, เมื่อวานก็จะถูกปั จ, จัยคณะสัทธาญาิติโจมถวายผ้าป่าหลวงพ่อก็ได้ถามยอดเท่าไรได้ยอดได้ยอด5้0แสนหหมื่นกว่าบาทมาั้งก็มากพอสมควรอยู่เศรษฐกิจอย่างนี้นะแต่ว่าพี่น้อง ชาติไยญาติโยมตั้งแต่จิตโฆษณาปากรู้สึกว่าคนเยอะนะจ อ, นนจอดในรานจอดในลานจอดรถนะจดล้นออกมาถนนทราบว่าตำรวจรักษากฎระเบียบเขาจับไปหลายคนเหมือนกันหลวงพ่อ เ, เลยพูดพูดกับเจ้าของร้านเขาเออช่ว ย, วยบอกเจ้าหน้าที่ด้วยนะ เพราะมันคนมันมากควรจะทีจ่จะจนพราเขามาทำบุญทำมาทำบุญมาประกอบคุณงามความดีแล้วมาโดนจับไหมใส่โทษก็คงจะไม่สบายใจมั่งขอขอร้องเจ้านาทีหน่อยแล้วควรจะให้จอดที่ไหนเพราคนมันเยอะที่จิตพันา ตามปกติท่านบินทบาทรอบรอบ ก, บกว่าใ น, ในห้องประชมุมแต่เมื่อวานวันที่24บทนบินทบาททั้ง3รอบคนเยอะนะแล้วก็สวนแชงธรรมก็เหมือนกันสวนแชงธรรมก็คนเยอะที่25นะนี่แหละคือใครใครก็ใยใยในการบุญการกุศล สร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจเกิดมาทั้งทีชีวิตไม่ทำชีวิตให้ตัวเองเปล่าเปล่าประโยชน์ควรประกอบคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็พร้อมกันก็ได้ศึกษาธรรมะหลวงพ่อก็มีหนังสือธรรมะจิตตภาวนาของหลวงตาไปแจกแล้วก็มีหนังสือธรรมะเล่มเล่มเล็ก ที่เป็นธรรมคาสอนของหลวงพอ่อยนย่อมาจากเรื่องราวที่ธรรมเทศนาหรือบอพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่หลวงพอ่อได้ย่อมาเป็นหมวดเป็นข้อความแจกให้กับพี่น้องประชาชนก็คิดว่าจะเกิดประโยชน์สําหรับผู้ได้ศึกษาได้ยินได้ฟังธรรมะถึงจะเป็นคําพูดที่น้อยเดียว เป็นคำพูดที่ย่นย่อเป็นคําพูดที่คําไม่กี่คําแต่ฟังแล้วกินใจถึงใจแล้วก็เป็นเครื่องชี้นําของชีวิตของเราได้คําพูดเช่นนั้นแหะเป็นว่าคําพูดที่เป็นสุภาษิตเป็นภาษิตที่เป็นทําให้ จ, ใจิตใจได้รับความร่มเย็นเป็นสุข แต่หากว่าคำพูดใดก็ตามฟังไปแล้วใจห่อเหี่ยวใจเป็นทุกข์อันนั้นเป็นว่าทุพพาสิทธเป็นคำพูดที่เป็นทุพพาสิทธ์เป็นคาพูดที่ไม่เป็นมงคลแต่เราจะเลือกฟังแต่เป็นสุภาสิทธิ์อย่างเดียวก็คงไม่ได้เราก็สรรหาคำไหนที่จะเป็นสุภาสิทธ์ เราก็ไปจุดในจุดนั้นไปศึกษาในจุดนั้นถ้าเป็นจุดไหนที่เป็นทุภาสิทธิ์เราก็จะเข้าไปใกล้หลีกห่างเหินออกมาพอฟังไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ฟังไปแล้วม่แต่ทำให้จิตใจของเราเร่าร้อนขุนมัวมันก็เป็นถ้าจะคิดอีกแนวหนึ่งมันก็เป็นคนกลุ่มละ กลุ่มใครกลุ่มเราเหมือนกันนะกนัตถายาดโยมนะไม่ว่าในครั้งพุทธเจ้าไม่ว่าในครั้งนี้สรุปแล้วก็คือครูจะค ร, ครูใครอาจารย์เราเหมือนกันมาถึงจุดนี้แล้วก็เราก็ต้องทําใจแล้วต้องวางใจออย่าไปเครียดอย่าไปเสียใจเลยอย่าไปทกใจเพราะในครั้งพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่าน เทศนาว่าการล้วนแล้วแต่เป็นสุภาษิตนเอแต่กลุ่มเทวทัศน์ไม่ใช่น้อยเหมือนกันเห็นว่าพระพุทธเจ้าเห็นแก่ตัวเห็นแก่พักแก่พวกอและก็แอนตี้ไม่ใช่น้อยเหมือนกันในครั้งพุทธการเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดถึงเลยก็ไม่ได้ก็เราต้องต้องพูดถึงความเป็นมาเร้ยว่าประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของประวัติศาสตร์มันเป็นมาอย่างนี้ถ้ามาเมื่อเป็นมาอย่างนั้นแล้วเราก็มาเปรียบเทียบกับยุคของเร า, เ, าเราจะให้โดดเด่นไม่มีอะไรเลยมันก็ไม่น่าจะถูกเองเหมือนกันเพราะประวัติประวัติศาสตร์มันเป็นมาอย่างนั้นเพราะนั้นเรามาถึงยุคนี้สมัยนี้เราก็ต้องมองประวัติศาสตร์บางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องทำใจ ไม่ใช่ทำที่อื่นนะทำใจของตนเองนี่แหละคณะสัตยาชย์จอมทุกขทุกทันก็เหมือนกันเกิดมาในโลกนี้อยากจะให้ได้อย่างใจของเราทุกอย่างเป็นไปไม่ได้บางสิ่งบางอย่างอยากจะได้อยู่ถูกต้องอยู่แต่ผู้ที่เหตุผิดเห็นแย้งกันเห็นตรงข้ามกับเรามันก็มีทิฏฐิคือความเห็นไม่ตรงกันไม่ไปด้วยกันมันก็ไปด้วยกันไม่ได้ โลกอันนี้ทั้งโลกนะมันเคยบันยรมั น, มนรรยมาแล้วไม่รู้ว่ากี่ยุ ก, กี่สมัยเพราะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้แหละ เ, เราต้องรู้ต้องศึกษาต้องเรียนรู้เรื่องเรื่องของโลกโลกวัะสงสารความเป็นมาและความเป็นไปต่อไปภายภาคหน้าจะเป็นอย่างไรนี่แหละให้เราศึกษาเอาไว้อันนี้ถ้าหากว่าจัด ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านท่านก็ว่าโลกกะระทํมแปดนั่นแหละมีโลกกะระทํมแปดคือไม่ได้อย่างใจเราเที่ไม่พึงปราถนาสี่อย่างที่เราปราถนา4อย่างรวมแล้วก็เป็น8สิ่งที่ต้องการ4สิ่งที่ไม่ต้องการ4่สิ่งที่ก่ต้องการ4ีนันคืออะไรเราต้องการมีลาบ มีเงินมีควาทรัพสมบัติต้องการมียศถาบรรดาศักดิ์เราต้องการคนสรรเสริญเยนยอไปที่ไหนเราต้องการความสุขสุขกายสุขใจอันนี้คือความปรารถนาของมนุษย์ชาติของมนุษย์โลกทุกคนสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาคืออะไรคือเสื่อมราบไม่มีเงินไม่มีทรัพสมบัติ ไม่มีผ้านุ่งห่มไม่มยียาแก้โรคไม่มอีอาหารการบริโภคไม่มีราบเสื่อมราบเสื่อมยศไปที่ไหนมีแต่คนด่ า, าไปที่ไหนมีแต่ด่าโคนดาบคนจะยกย่องสรรเสริญไม่มีมีแต่คนด่าอันนี้ เ, เสื่อมยศ เ, เสื่อมยศก็คือไม่มีไม่มีใครให้ยศเรา ต, ตำแหน่หน้าที่ตําแหน่งเขาปลดออกหมดเรื่องยศเสื่อมราบเสื่อมยศนินทาไปที่ไหนมีแต่คนด่าคนดูถูกเกลียดหยามคนด่าแล้วก็มีทุกขยโรคภัยไข้เจ็บปรุงเล้าบางังมีทุกทางด้านจิตใจบาทนทุกคนด่ายังมันจะเป็นสุขได้ยังไงใช่ไอมถ้าไม่มีลาบไม่มีเงินคำทรัพย์สมบัติจะเป็นสุขได้ยังไงไม่มีข้าวจะกินใะ่นี่แหละ อันนี้ก็คือสิ่งที่ไม่พึงปราถนามีอยู่สี่อย่างเนี่ยโลกธรรมแปดมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศทินทาชนะเสริญสุขทุกข์แต่ใจของมนุษย์ต้องการลาบยศชนะเสริญสุขแต่พระพุทธเจ้าท่านว่อยากจะได้อย่างที่ใจเราปราถนาทุกทิงทุกอย่างมันยากเป็นไปได้ยากเป็นไปไม่ได้ มันก็ต้องมีเพราะนั้นพระพุทธองค์จึงตัดเรียกว่เทศตัวนแนะนําให้เป็นคํากลางๆว่าอย่ายินดีในส่วนที่ปรารถนาอย่ายินร้ายในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาคือ ท, ทำใจให้เป็น ก, กลางๆในเมื่อมีรามยศนสนเสริญขึ้นมาก็อย่าลืมตัวบอกอีกสักวันหนึ่งอาจจะลื เสื่อมราบเสื่อมยศถูกนินทาก็ได้อาจจะมีทุ ก, ก็ได้นะในเมื่อเราเสื่อมราบเสื่อมยศถูกนินทามีทุกเราก็เอาเถอะเราประกอบคุณงามความดีอย่างนี้แล้วผลคุณงามความดีจะต้องงอกเงยขึ้นมาให้กับเรานี่แหละอันนี้ก็ให้พวกเราคิดไว้ในใจ ถ้าเรามีมีธรรมอยู่ในใจยอย่างนี้นะเราใอยรู้ว่าโลกมันเป็นอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เรายังไม่เกิดเมื่อเราตายไปแล้วโลกมันก็นจบเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นเมื่อเรารู้ทั้งสองเงื่อนอย่างนี้แล้วนะเรามีแต่มองตนเอ ง, ถ, งถ้าเรามาเกิดในโลกนี้อีกต่อไปมันจะต้องเจออย่างนี้แน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นมีหนทางไหม ที่จะไม่มาเวียนไหว้ตายเกิดในบนโลกก็ตะสงสารที่จะไม่ให้มันเป็นอย่างนี้นี่ะพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรนี่แหละหาทางออกนะหาทางออกอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านอได้ออกมาแล้วเห็นมาแล้วรู้มาแล้วท่านประกาศมาแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราตถาคตเราจะไม่มาเวียนไหว้ตายเกิดอีกแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอันนี้คือ ทำคำสอนของพุทธะที่พระพุทธองค์ได้ประกาศที่โครนต้นโพในวันเดือนหกเพ็นคืนวันตัดสู้พระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณอจากนั้นพระองค์ก็ได้แนะนำสั่งสอนแต่พระองค์ก็มาท้อพระไทยอีกเหมือนกันโอ้โหที่เราได้ตัดสู้รมในวันวันนี้มันทำไมมันมันฝืนกันกับโลกเหลือเกินมันตรงกับทางโลกเหลือเกิน มันเหมือนกระดำกับขาวลักษณะอย่างนั้นทางโลกเขามองไปทางหนึ่งแต่ธรรมะเราะถาคตที่ได้ตัดรูน้นี่มันมองอีกทางหนึ่งถ้าหากว่าเราจะเอาตัวนี้นะไปสอนเขาเขาจะรู้ได้หรือเปล่าเขาจะแอนตี้หรือเปล่าเขาจะยอมรับหรือเปล่าถ้าไปสอนเขาเขาไม่ยอมรับเราก็เปล่าประโยชน์ทั้งที่เอา เพชรนินจินดาไปให้เขาเขาก่อนหินเฉยๆมันไปเห็นจะมีคุณค่าอะไรนะเพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้คุณค่าเพชรนินจินดาเนะนี่แหละอันนี้ก็คือพระพุธทธเจ้ากอทอประไถ่อีกเหมือนกันที่จะประกาศพระพระศัทธธรรมในยุคสมัยต้นๆเนะนี่ยแหละความเป็นมาของพุท ธ, ธนะนั้นไม่ใช่ธรรมดานะกนตตาทาญาจโยมลูกหลานนะ เมื่อพระธรรมคาสอนของพุท ธ, ธะเนี่ยเพราะนั้นพวกพวกเราที่อยู่สุดท้ายภายหลังเราต้องศึกษาศึกษาเอาไว้อันนี้คือประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพุท ธ, ธะเราต้องศึกษาเรียนรู้จากนั้นได้ก็ประมวลมาให้เป็นแนวความคิดพวกเราได้ศึกษาแล้วก็จะเดินทางไหนถ้าเดินไปเราไปเจออย่างที่ว่าเนเราก็รู้ว่าอออันนี้เป็นมาแล้วในครั้งพุท ธ, ธากาล พระพุทธเจ้าเคยเจอเคยสอนเคยบอกเคยกล่าวมาแล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เคยเจอมาแล้วพวกเราจะเหนือกว่าเลยเหนือกว่าพระพุทธเจ้าใช่ไหมเหนือกว่าพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าใช่ไหมแนะ่อันนี้เราก็มองดูตนเองนะถ้ามองมองดูตนเองเราก็จะรู้จักวิธีการจากนั้นเราก็หลีกเล่นไม่ใช่หลีกเล่นเฉยๆนะหาช่องทางที่พระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไร ที่ทาที่ให้พวกเราไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสาราท่านก็เรื่องสอนเรื่องสมาธิเล น, เนี่แหละเรื่องสมาธิในจำเป็นในเมื่อฝึกสมาธิจิตใจที่เป็นสมาธิแน่วแน่แล้วจากนั้นก็เดินปัญญาวิปัสนาพอเดินปัญญาวิปัสนาเกิดความเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นอย่างพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนจากนั้นเราก็หลุดพ้น จ, จากอาสวะกิเลส ไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัะสงสารเป็นอนันตการนี่แหละอันนี้คือหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะวันนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะศรัท ธ, ธา ญ, ญาติโยมทุกคนนะนี่ให้ฟังเอาไว้อันนี้แหละคือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะวันนี้หลวงพ่อก็ได้แจกแจกกระเป๋าให้พวกเรานะ มีกติธรรมด้วยนะคนโง่ย่อมจะเห็นบาปเป็นเหมือนน้ำพึ้งตราบเท่าที่บาปยังไม่ให้ผลคนโง่ย่อมจะเห็นบาปเป็นเหมือนน้ำพึ้งตราบเท่าที่บาปยังไม่ให้ผลให้พวกเราอ่านอ่านดูนะเมื่อบาปยังไม่ให้ผลเหมือนกับ ปลากินเบ็ดลักษณะอย่างนั้นแหละแล้วไปกินเหยื่อพอกินเหยือแล้วก็ปลาก็ว่าอาร่อยอร่อยแต่พอเบ็ดเกาะปากเท่านั้นแหะให้ความสุขที่ว่าอาร่อยอร่อยนั่นก็หายไปหมดเหมือนกับพวกเราดื่มยาพิษทานอาหารอาร่อยอร่อยแต่หารู้ไม่ว่าตรงนั้นมียาพิษแต่เมื่อยาพิษยังไม่ให้ผลตราบใดเราก็ยัง สนุกสนานเพิดอเพื่นยังคุยอีกต่างหากเอ้ยเห็นไหม เ, เรากินยาพิษเรายาไม่เห็นมีมีผลอะไรนะแต่ผลที่สุดเมื่อยาพิษให้ผลตัวเองกระเสือกกระสนนุ่นไปนอนที่โรงพยาบาลหายเงียบไปไม่ได้พูดอะไรเลยเพราะอะไรเพราะยาพิษให้ผลนี้ก็เหมือนกันนะั่นแหละพวกเราทำกรรมชั่ว เมื่อทําลงขณะที่ทําเราก็าอวดเอเห็นไหมกฎหมายไม่สามารถที่จะมายิงยังนะถึงเราได้เราก็คุยได้นะแต่เมื่อกฎหมายเข้ามาถึงเราเมื่อไหร่เมื่อนั้นเราไปจุในคุกอยู่ในตารางะเงียบเสียงเลยเพราะอะไรเพราะอยาพิษให้ผลนี่แหละการทําบาปจะทจะําเฉยดีกว่าเพราะเมื่อทําบาปบาปให้ผล ตนเองนั่นแลหลจิตเหือดร้อนเมื่อภายหลังพระนครายให้พวกเราทุกทุกทนนะประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญสั่งสมคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าไปคิดทําพูดในเรื่องนั้นนั่นแหละหลักธรรมคำสอนของพุทธะนะต่อเ น, นี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพร